ไปไงไ ป, งไปแี่นี้เราจ ะ, ะมาเรียช่วงนี้นาทีนี้วิาทีนี้เป็นโอ ก, กาสของเราที่เราจะทาความดีรับขวงชช่วยได้ดาบอาสนประกันพุ่งท่านี้เราก็มาเริ่มก้าวตารกันมีที่ตั้งแห่กกงการทําอยู่แล้ว สุขัง ก, ก็มีการมีใจมีสติมีสติเรา้องหัมีสติเออเอลานี้ทา ง, งานแบบนี้สิกขาได้ทำคือนี้เลี้ยงชีวิตโดยแบบนี้มอมค์าจานยใ้พวาจา์ของเราต้งอง้อย จำเป็นไปเพื่อการทำ ท, ที่สุดแห่งความทุกข์ทเส้ น, ส น, ส น, ส น, นนี้ตัวนี้หือองมัจจันไม่ใช่ต่ามวดืนแห่งความหลงกับความรู้แราเีความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเราซื้อของมัจจันแค่ขาดนี้เราหลงเหงน็นมันหลงแปลว่าเราขาดมัจจันแล้ว แต่มันโกงมันแต่งกรรงได้มันร้มาหนาวมันเ็บมันปวดรู้สึกัวไปเรื่อยๆที่แหลคือคามจริถ้ารู้สึกตัวบริสุทธิ์แล้วถ้าไปเป็นกับมันเป็นสุเป็นทุกเป็นโกเป็นโลภเป็นหลงไปเลนาไปบาปล่ะฮแล้วเปิดเพื่อนกันแล้วมอามจริต่างข้อยกันแล้ว ไม่เจอความคิดก็ดามคอยได้สิของเราดามคอยแล้วภมิจัน์ของเราดามคอยแล้วจะมีสติเนี่ยก็จะทำแบบนี้รักษากายวาจาใจเรียบร้อยแล้วคงชดทำกรรมดีทำจิตให้บริสุทธิ์รกษตกันนี้ เรามลิกษากาวาใจใจนักการว่าใจใจมีสตอกไปการาใจจอาจจะรักษาเราชีวิตทั้งหมดต้องรักษาเช่นเรารักษาศีลไปศีลจะรักษาเราอย่างครัอกไปเมื่อศีลรักษาเราเรียว่าสัญญาศีวกคนมี ศีลรักษาเราหรือว่าเป็นคนแก่เท่าไม่ใช่ยุคสัญญาศีลจะเจ็บตาจะในกบ็นภูมิถ้าศีลรักษาเราสิเรื่องสุขปฏิบัติติจะมีคนสุดท้ายข้อศีลสิเรื่องพวกกัลปตตาูจะมีพวกกัลยาการข้อศี อันนี้พู่เองยันติรู้จะไปถึงนิพพานได้เพราะศีลเพราะจิรักษาเราที่ว่าสัญญาสี่หกคนไม่ผลกรรมที่ทำไว้ก่อนเ่อจากวันี้ก็ไม่มีเรื่องนี้เจ็บก็เจ็บไปยถ้าเจอก็เจเลยถ้าตายก็ตายเลยเพราะตังสอนเป็นอเนกชาติชั้นไม่ทวน เดินเที่ยวไปกับเพองศามสิบปียังบวเรียนไปยี่ปียังบเรียนไปอยู่ก็ตางกันทำในสิ่งที่มั่วหมองเราจะมาทำวันนี้การนี่แหละงานขงมนเสด็จขึ้นมาเสด็เช้าม้เก้าหลังยามเสดจเช้าม้เก้าหลังยาม สิสิแล้วพอเนีตัวมาสวยมั่งวยปังยามแล้วยอมพสิพอทำยอมก็ควระทำส่งดกานสาธยายสะสตจิสใจเจตจำนงชีว <bert> ิตไม่ไปามดับนี้เลยให้ลำดับมันนการชชีวิต เราหลงก็ไม่เคยรู้พอหลงจะหลงลงเลยไปยไม่เคยนั่งสมาธิจักเหมนสร้างจังหวะเคลื่อนไหวทําการให้ตรงระลงสติให้มั่นมีแตอยู่ในตำลาไม่อยู่ในเราไม่ออกมาไว้ในเราไม่นอกร้องมาเราก็ทําแล้วจะเดินจงกรมให้สติ จะวันเั้นทางกันจำครมแอบจำบับแบบกิมหอมวางกั น, กนคระพระพุทเจ้าก่อนที่จะเป็นพระเจ้าก่อนตัดจุลู ก, ก็เลยทำแบบนี้โดยกู้แสงเขาเหยียดแนออกมีสติหายใจเข้าหายออกมีสติใจจิตกลมมีสติสะดูที่ต้นสีมหาโพธิ์พุธคยา เราไต้ต้นโตมีทางการจำกลด้วยอยู่ที่ไหนก็มีเส้นทางการจำกลทีสิ่งพัฒนะก้องมีเส้นทางกรารจอกลการจำกลหรือการยกมือขึ้นไว้หายใจก็หายใจออกมันเป็นการบริหารส่ว น, น, นล่างกายที่ใจไปด้วย เรามาจุกมันจวะสองสอวันนี้สี่วันนี้ห้าวันหกวันเนี่ยรู้สึกปวดด้วยขมเนื้อข้างทวมันจะเกินไปวดท้องไหล่ปวดแขนปวดคอปวดหลังปวดเอวนั่งพรเียวนั่งขัดสมาธมันก็จะได้สิบนี่สิบนาทีมันก็จะได้เคยนั่งก็าอเคยนั่งอะไรสสบาย อาสุตอนอนตอนก็เข้มแขงขึ้นเดี๋ยวบนอกว่าเมื่อก่อนมันปวขามากหลงตาอตีหายปวดแ้วแขงแขงมากเ่อมนเป็นก็ได้ไปหาต้นแขนต้นอไหลเอวหน้าอกยกมือช่างจังหวะเนี่ยเหมือใจดี เาองคล่องต่อใจกับมาเรหยนรุกส่วนการเดียนยองคล่องนี่มีอะสมยสมาธิสมาธิ ส, สติตั้งอยู่ได้นานจนร่างกายไม่เมื่อยล้ามัตเิแกง ัวงสองชั่วโมงเกินารากายมันค่อยได้หาแขนอ่อนแรงพลังงานในร้าเกาเมื่อมันค่อยมีแล้วเดินยังกรร่ากไยก็น้องยเยเะแขงแข็งขึ้นมาแล้วก็มีอาหารคายแบบนี้รวมๆประให้สุกภาพดี วันนี้ก็มีเสงแดดลงร่างไม่นื่ยไม่ล้ารหน่อยไมล่ล้ า, ลาจะไปเมืองอังเสียหายมีาลังตลอดนานที่เกิดจากความนื่อยๆมีเหมันมันเชืเ่อมแสงได้จะไปตัวปวท้ววทอสปวดนาดเมื่อยปวรวงอกัอกทรวไม่อาการหนหมาต แต่วเครื่องต่อวิริยะเองด้วยไม่หลอนไหลง่ายลอมเปิดมันก็มีอุปโภคตัต้องการมันมีสติเดีย๋ยวตารมันจะบอกแล้ามาปปนสุวุมทุกข์เขึ้นเดีย๋ยวความสุความทุจะบอกแล้ว ม, มีความคิดป้องแกงไปเดี๋ยวความคิดมันจะบอกเมื่อมันใน ม, มันติดมันบอกมักนบอก เราศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราก็มีแต่สิ่งที่เกิดความหลงวัตถุให้เกิดความหลงฟังหูจะบุกเร่งใจทุกข์ลดสิงเสียงสัผัสอารมณเป็นวัตถุกเกิดความหลงด้วยประการมงคลถ้าเรามีสติได้จะได้เป็นวัตถุให้เกิดความรู้อันนีก็มีอยู่เล มัเกื่ได้ที่เราเรียนขั้นอิสระโตให้โจดลเราล้วก็เฉลยในมีโจดจึงมีความฉลาดความโง่มันถึงมีความฉลาดปัญหนาจึงเขาเกิดปัญญ า, า, าถ้าไม่มีปัญหนาก็ไม่มีปัญญาการสอนเลยก็ไม่เชื่อมแข็ง ถ้าไม่อยากกิด็มม่มีอานี้ต้องมีมั่งแตลองสะดวกทั้งไม่อ่อนแอได้ถ้าลำบากทางเครื่องแข็ได้เดี๋ยวนี้ลงมาดูดูช้ำหมอนเดินยังคงงานหนักทั้งวัดทำจำนที่ทั้งมันตากแตากฝนไปไหนให้มีลรคนมันไปเรื่อย ฝนตอกลางร่มเงาีธรรมะเหมือนมีรมในมือคือเราหลวงรู้จำดีหมือนรมเป็นการหลงไปคล้องโลกพอตัวเนี่ยเห็นกายรูกายแล กายเวทนาจิตเคื่องขันธ์ลูกเวทนาสัญญาสัขงขารมีญาไม่จบได้ประสาทฐานนั้นหนึ่งชีวิตของเรานี้สถานบันสติปัฏฐาเนเจริญจบตรงนี้ถ้ามันจบตรงนี้เกิดเจริญตายไปเรื่อยทุกเลาทุกอกจะไม่หลงเรามัน ได้ถ้าเชื่แล้วคอามจริงจบแล้วอย่างนี้จะไปยอมรับเกินไปแล้วแก่มันจะยืดอะไรให้ก็เอาไปหมดแกล้วว่าไงเรย่องนี้เวลาชนะถึงนตอนเช่านันก็หลังยอว ให้แตกแขกขึ้นบ้านไม่เล้ดอนนี้ที่ค่าสิบคนให้จงงนนวนตาืจะเจอไหนมาเพี่ยนบรรลุแล้วหลวงพ่อ็ะพูดเถ้าโบราณว่าอย่างนี้นตนโ บ, บราณสองลูกสองหลานแต่ก็ ย, ยังรอไป ดีตัวีจะวางไม่ไปตะวันจะสายตลาจะวายสายโวจะเน่าเป็นคนทตนขึ้นต่อจตัวไปเล็กระน้อยยันจะได้ญสูงเพื่อรกินหนาง่ายเพื่อลองตายหายากม่ยิบเิมาพอแม่เป็นสอน่ยู่เยอ่ยยอแล้วน่เพ่มเดียวมา เราเหมือนทอมตลอดอย่าให้มีปัญหา <c oughs> หัวหัวเนี่ยคือปัญหาตีหม้อให้มันแตกเราจะแก้ขึ้น <c oughs> เอาหัวเนี่ย นี่หรอเนี่ยาคันตุกตามันจอมาะในการงานใจเราโอเจ้าตาปะป อ, อกกัจทอันตังทิ่คเว่ิตตังจำใจโขการโตเกะจิตกปายเสือกิบกปายฤถามที่ตัวตออั้งหลายเราบอกว่าจิตของเรานี้ประพัดสอนสอนใจอยู่เสมอ แต่อาการตกกะเคยกิเลสมันจอนมาทั้งจิตใจเศร้าหมองฉะนั้นอาการตกกะเคยกิเลสมันจอนมามีไหมเคยเห็นไหมมาแล้วก็รับมันดีเหลือเกินก็เลยโกรธไม่ยอมไม่ยอมตอนับอาการตกกะอย่างดีกรียนแล้มาจิบแล้วไม่จับไว้หนมันก็มาบ่อยมาบ่อยไหม อ๋อไล่บอลไล่บอลไล่ยังไม่าีอะไหอมีสติอ้าว่ า, น, านีสติกุดตัวทัทีอ่ะไล่ยมันไปแล้วขาีาสิคนเท่จนนนตายคืออะไรอ้มีถ้า10คนเท่จนนนตาย เนี่ยลายคืออะไรอ๋อได้หมดไม่โดนจับเลยคือนิ้วมือสุดนิ้วใช้ทำกนดีละความชั่วเอาไปทำกตดีเอาไปละความชั่วใช้ละใช้ให้มือให้กายทำกตดีท้าววานท้าววานกดจีท้าวานรักษาสามตายหายสามโ คือก่อยปวจาะคือใจนี้แต่ใช่อย่าไม่รักษาสมโทษคือความกวดความโลภความหลงเป็นอคุศสอคุณสนมูลไปความโลภความปวดความหลงเปลี่ยนอคุณสมูลเป็นคุณสนมูลคือไม่โลภไม่ปวดไม่หลงก็เปลี่ยนได้แต่เรายอมรับมันมันเป็นโจทย์ ถึงเราเป็นจนําเลยของอะไรเยอะแยะไม่เป็นอิสระมาเป็นธรรมวาทิปไตยเป็นธาตุของความหลงความปวดความทุกข์เมื่อไรจะเป็นปัจจาริปไต่ธรรมวาทิปไต่ธรรมวาทิปไตยะเพื่อท่องกันว่าชีวิตเรามัต้องเป็นสิทธิให้เกิดธําแก่เรา เวลามาหลงเอาไม่สติไม่หลงเวลาเราโกรธเรามีสติไม่โกรธเวลาเราทุกข์เรามี ส, ต, มมสติไม่ทุกข์ใสติของตั้เป็นไม่ต้องยองไมได้ห น, นีได้มีสติไม่หลงมีสติไม่ทุกข์อ่าสติที่เราสร้างตัวเนี้ยมันจะเป็นธรรมะที่ตายธรรมะที่ตายเนะ เพื่อามคือเนี่ยคื อ, า ม, อคามเนนนะม ห, มนะหมือนกับตดทุกคนตางเปลี่ยนกล้งหลงรวมรู้นะพี่ใหม่กล้งหลงอ่ะใช้หลังใช้ควคมรู้เปลี่ยนมาจูดได้กี่นาลีเราหลงไปเฉินชั่วโมงหนึ่งชั่วงหนึ่งได้กี่ก้าจวจัหวะชั่วโมงหนึ่งได้กี่โู ก็จะได้ทุกวินาทีก็ได้สองพันหัวลูกหลงไปจีพันเนาหลงไปจีพันลูกสองพันหรลูกสองนาะเอจะขึ้งหนึ่งไหมซีดื้อทุบเรยๆมนเหมืนอนหมาอาชามีบ้ามันน้าหนักเอียงอาชามีเป็นลูกตุ้งถ่วงเอาไว้ตอลูกนี่ยจะเป็นอ่า สิ่งข้าจูนโลกมาให้วิจิจะทำดีทำชั่วนำจั่งจังจิตให้มันดีแล้วไมเปลี่ยนตรงนี้อันก็มีอะไรเกิดขึ้นจากตรงนี้เยอะะเลยเดืเนนี้ <c oughs> จะเก็บบ้านเก็บ ง, งานอันนี้สักที ทะเลก็จะเลืปอนขยับทุกตาากิโลเมตรจะมีขยับเป็นสายขนตั้งให้ทะเลนั้นตั้งนไปดูตอนนี้อาวาน้อกรมาเตาตายกันเป็นแถวเคยฟังเคทกกับเคดูแล้วเจอว่าจะติดเคงกับเคาเป็น กิโลสองกิโลมาไม่ได้อ้อยมาด้วยเตานี่ยของพลาติกิ้นเล็กเชน้องแบบขาคอขาขาขาก็มีคอขาก็มีไหนก็เต็มไปหมดเลยเยอะตังไงมาก็คือกายคืออย่านี้ให้มีสติคนด้วยพัฒนากินที่ไหนกินที่นั่นนั่งไก่เบนที่ไหนถ่ายที่นั่น เศรษฐีมันดีดีนะดีไหม <c oughs> เดี๋ังต้องไปอย่าให้เป็นตลาดไทยถ้าใครทำเอาตั้งไหนก็เดืนอดร้อนเราไปทั่วก็วสร้างเศรษฐีเนี้ยโอ้ยยอดเกี่ยมเลยคนดีอยู่ที่ไหนไม่ชี้หน่อยคนดีอยู่ที่ไหนพ่อใครใครเหลือ เป็นดาราคนดีคนดังเช่านี้แหละต้องอยู่ที่เราอย่าขี้ไปหาคนอื่นต้องอยู่ที่เรานี่แหละเราจะต้องเป็นคนดีอะทุกข์เราต้องเดินไปม่ทุกข์สอนตัวเองนี่นี่งานแบบมีที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมือนวันส่องระจกมองเห็นตัวเองทุกหลังยิ้มว่าไ ถ้ามีสตินะไม่มีที่รัถ้าไม่มีสติก็มีที่รับรับหมูรับการับคน่นหลอกคนอื่นแต่เรนะตัวเองเด้ชาไม่มีสติสัมผัสโตญาทํางไม่ย่าก่าตย่าก่อากามามาต่อรไม่ออกการกระทำไปก่อน เราไปดีว well, ่าเราไปเดินจะบอกว่าไม่ไม่ใช่มาอยูอย่างนี้เราเราไปทางานนอตมีลูกมีงอย่าไปคิดอย่างนั้นช่องสือมาที่ไปัวจโเตขาดอาไ้ปเรียนที่ไหนโกเอาไปทำงาค่าหลายดีกว่าเอาเจอเรงตไปโอ่พุเชลเนี่ท่าหนักสมัยทักวนีไม่มีฝรังโมองไปน อะไก็มอง่ายมีค่าป็นหมดเลยตัวช่อเสร็จกเอาคกับยนเอาควาเกี่ยมาตกรอไม่ใช่เรามนลงไปจะการ์ตูนจะได้ทําะไรเอาค้างกระทาก่อนโอาคนักการศึกษาดีคไปเอง มันจะรู้จุตัวนี่แหละมต้องกลาเป็นปรหลานขว่าตัดเอรูจ้จุดตัวเขียนกายชีตแาตัวตานี้นทีนี้วินาทีนี้นช่านาทีนี้วินาทีนี้เป็นส่วนตัวของเรา ให้คนเดินจะทำให้เราหลงเราก็ไม่หลงนเนาี่ยทำอะไรเราก็ไม่หลงถ้าเราจะเข้าคนจะร่องไม่หลงสี่คนหลอกไม่ทัวสีหลอกไม่ทัวคนหลอกไม่ทั่วทั่วแต่ตัวเราหลอกตัวเราหลเพราะในตัวลองไม่มีจะคิดจะทําอะไรเราก็ ร, รู้หเห็นคนที่ของเรายใจของเรา ถ้ามีสติอ่ะมาาันจะถีบเข้าไปเป็นความจำบริสุทธเลยม่นต้องมีอะไรก็ได้นี่งานของเราเป็นหน้าที่เป็นภาระของเรามีภาระถ้าหมดภาระเมื่อไรเทื่อยว่าเบียบบุคคล ผู้ไม่มีพาละเป็นผู้ไม่มีภัยไม่ชอบในไหนหรอกอยู่าอยู่กับลูกกับเมียถ้ามีลูกมนเมียมีสามีมีมมว่าแม่ก็อยู่ที่นั่นเราจิตใจเราทำก็ดีต่อกันนะแล้วก็มีผัวมีเมียรเราก็มีไป ท, ทาต่อกันไม่เกิด สวรรคนานได้ถ้าเราเป็นคนดีเป็นสามีเขาก็องเห็นสาได้สามสามีเป็ ค, คนดีเขก็เย็นใจใหความสุขก็ใครทำกันเย็นใจได้อเะะอาเลยอาแห่งพันธะถ้าเรป็นคนดีสามีก็เป็นความสุขเห็นหน้าสะพัยาเย็นใจ ข้างล่างนี้เลยเด็กน่าเข้ามาจะ NH ิหายเลยใช่ไหมเท่านั้นเองนะที่ว่าเท่านัเนีเกี่ยนใจวิบอเท่านั้นกเกี่ยนจบอ่ะมตรโลกอ่ะฮะมันจะใ i ้กลาไป่านอเพ อาเด็กป well, like ัตกวนังเหน้าปั้งปัตุว์เน่ากเจ้ากินดไม่รู้จักกุลเจ้าอรน่ากุลปัตุว์ใครมีสมีอย่างนี้ธรรมญาใด้ n i พถ้าใครมีลูกสาวอย่างนี้ปิดามนดาได้ n i r ถ้าใครมี พี่ชายน้องชายบแบบนี่น้องชายพี่ชายก็นี้ผ่านอันเย็นใจนี่เป็นลูกตุ้งถ่วงความร้อนให้เกิ น, นลงได้แต่นี่โรกมันร้อนตองทให้โรกเย็นโรกคือโอกาสโลกแผ่นดิงแผ่นฟ้าสัญญาทิตก้อนเมฆนั่นเป็นโอกาสโรก ก็มีส่ว น, รนเราะว่มกับเราเหื่อเราทำให้ โ, รร โ, โกหรรลกรอ้อนด้ว ย, วกกยทั้งขานโลกคือการตรงแสบใจเราร้อนเล่าความร้อนมันเหมืนกอดจะร้อนด้วยรูปโรคคือกายของเรานามโลกคือใจของเรามันร้อนทำไมจึงเงรียนวัตถุเนร้อนด้วย เยน็นทำานะไปเย็นอย่บ้านไปเย็นอยู่ที่ไหนคนเย็นะมันเย็นมันม น, น, ม น, น, น, นี้เตาหลอมเหล็ก็เย็นจีดีติดใจเย็นอันนี้ผลวันนี้ไปอีกสิปี20สปีมีอะไรบ้างที่น่าจะบอกว่าะอะไรนะท่านน่าตงใจนที่เราทามาส0 5สห้าสิปี มันก็เป็นวัของเราถ้าเราทำดีถ้าเราทั่วก็เป็นมันีของเร า, เรามันก็เป็ น, นขอนอย่นนางนี้จริงๆงการกระทำของคนเราไม่ควรปล่อยปละ่นเลยที่แหละวิธีทำคนดีที่ยอดเยี่ยมสุดยอดคือมองมีสติตัวกายทัวของเราเปลี่ยนความ้องมาความรู้ลี่ เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนคมดเปนครูเปลี่ยนความร้อนความหนาวเป็นคูกเปลี่ยนความปวดของมือเป็นความูกเปลี่ยนความทุกอย่างเรียกว่าปฏิบัติธรรมือเปลี่ยนให้เป็นดีเนี่ยท่านผิตตองไหนอาเชื่อคคะจะให้สอนอะรจะให้พูดในฟังนะหรือเจองูหลงมาลัดอง สำนักปิวัติธมมีผู้อาจารพาเราเรียนนัเรียไปอบรมสนักปิวัติธเทียงทเอางูเหลือมาลักให้กลุ่สมาชิกเหรอเหรอเดี๋ยวนก็หลอกเออเหลือเนยนี่แต่กวางูเหลือมาตาม่เดี๋ยวนี้งูเออยากเข้าไปนนตรงไหนเอาจงอานะเออเหนี่ ก็เพราะเอาเลยนอแบบนะนหายเอาแบบมีแต่เยอะแล้วนะหลุดไอย่างนั้นเลยตอนเย็บมันละม่เลยมันร้อนมันเดินไปไปเทอ่ยวนะอ่ะแต่ดีร่างกายก็ไม่เจ๊ง การรับเราหลายอย่าง น, นกจากการทดลองแล้วก็มาลุยไปให้ดูเอาจุดไปส้นฐานแดงแดงจากระจายออก่ ก, ก็เลยเกี่ยวกับชดชดชดชด <c oughs> เอางั้นมันได้อะไรมันได้อะไรมันทาได้ เป็นสามคนทำได้เป็นบางคนเขาอาจะหลอกหลูเอาอยามาทาทา ร, ทรีไปเย็บอะไเชืดชือนั่นก็เป็นน้ามันอะไรกันไม่มันไม่เป็นสามคนสิ่งที่พเจ้าสนเป็นสิ่งที่ทําได้ทุกคนนี่จึงเป็นสามคนสติเนี่ยใครมีสตินั้นสำคมญ ลุงตาตเราียนสอนคนหลัมาด่าเราออกมาชี้หน้าเ่าอยู่ที่บัตนนันมืบตัเมืองวิสุทธิมรรคของประเทศสังกิตธรรมชาิไม่้นที่มีสมองภาษาคิดที่ววิสุทธิมรรคของเขาเท่นัชี้หน้าลุตาลตานน้น มาสอนให้อะไรแล้วก็อย่างนี้บวไหมตัว <c oughs> กันเดียว <c oughs> อขอจะพาดไปไหมแล้วก็โอเคเอออแล้ว่ายืนอยู่เราก็ตั้งอยู่คนรู้วมาสอนที่ยังมาเรื่องอะไรมาตัวอขอนัรกบ ตาทำไม่ไหนอาจะไม่สดงทำแต่คนไม่เกินขผู้ยืนอยู่เราไม่เกินขับอกเขานั่งหลสองตีกวนั่งหลบว่านั่งไมเป็นนะอันนั่งไมเป็นั่งต่อยนะต่อไปจะกนั่งลก็นั่งแบนี้บอกอนี่นี้นั่งเย หัากดเข่าลงโอยแขันนั่ง่้บอกนเนั่งอนี่นั่งแบบเนียต่อข้อเข่าซยมเขา้นั่งเนียเนียนั่งไม่ได้ลัากปดเข่าลงก็นั่งได้ไมต้องแข่เอามือวาไขาก็ เขาบอกว่าเรารู้ตัวเองรู้เรารู้ตัวเองรู้ตัวเองก็รู้อย่างไงเราก็บอกมือเอามือบงเนเก่าเสียงมาข้างัวเอาอะเออเอาเอา รุณไู้หเยคไูยหมนอนนอนอนอนคุณไปเลย่ะคุณไปดูประจมาแล้วไม่รูสตัวเลยมน่สาันยงไม่ใครดูไหูสุดตัวนอนินาทีใครหออ ไม่เคยสู้คนอะไปรู้โต๊การอกกันคนไรู้จตัวนี่เรารู่จตัวเราูอย้ราท่านก็ทเดมันถือศาสนาอะไคิดศาสนาเอาคิดศาสนาเคยรู้จตัวได้ไหยาอ๋ออันตัวรู้จุตัวไม่ชกันาสนาอตัวรู้ตัวเป็นอะไรเป็นอรูของใคร เองก็ลูองรอไม่ต้องขอใครนะนขอเราก็ถามเราด้วยแล้วมันจะทู่เรารู่คะไเนี่ยนี่เราเราู้ยรอย่างนี้เรามาสอนคนไม่รู้เลยเราไม่สอนให้คนจะรู้อะไรทำลา้นะลารู้จุกตัวนะเราก็จะเราสักแนนะคะ น, นั้นหมังจากให้จะจำเรา ขาจาบตังคห่อยจ้ะขอจับา จ, าจับทางมกเรายกพบพกบคนที่เราคิดจะจะบหานแต่ว <laughs> ่าเนือคุ้นจะอยู่นี่กีวันก็ตามบจะอยู่นี่เสียห้าวบนนี้เป็นนะวนี่เราจะพาะพ่อเรามาไอ้เ น, นี้ยแต่ไหนเสียหัาว ก็มันก็หนีไปเอาไปมาอาพ้อมาปั่นตุ้มนี่อาข้อมาจีรบมาจอดเออเอาเก้งอีมาด้วยเหมือนกับเราติดเก้าอี้ไปนั่งมันนั่งแบบเราไม่เกนก็ต้นก็บอกเํานั่งไปนี่ก็ได้แล้วกูจะมาเราอา้อมาลองนะโดยเราเดินเพื่อนอะไ คนไหนว่างมนาะขอเราไปเที่ยวนอยเรอไปเที่ยสกน่อยเธอแล้วกสอนภาษาให้เราวันเละเน้อยมาพยายามจะมารับไปเราไปเที่ยวที่นงเที่นี้บอกว่าเราไม่ได้มาเที่ยวเรามาสอนคนไปสัหกหน่อยเขาดีนะไปไปเจอเขาว่าอะไเนี่ย คนรู้จักตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นชาใดภ า, าษาใดเพศใไวัยสาศาอะไรดเลยเป็นของคนไปรู้สักตัวก็เป็นของคนทั้งเลยขอกันมาได้ทั้งตัวไครตัวมันเนี่ยคือเรามาม า, าทําเรื่องนี้กันไม่ต้องมาเชื่อเราถ้ามีคนรู้อย่างไงถ้ามีคนหลงเป็นงไงเราจเป็นต้นการปฏิบัติแบบนี้ย เนี่ยันก็มกาติเราเข้ามาอ